นอมน้อ ม, อมต่อคุณพระตาัไตรขอโอกาสครูบาอาจารย์ธุลองเพื่อนสธตมิกทุกท่านเจริญพรคุณแม่ชีและญาติธรรมทุก ท, ท่านนั่งตามสบายๆนะก็ <g ül> <g ül> <g ül> ถือวันนี้เราก็เป็นวันแรกนะวันแรกเนก็เป็นวันที่เหมือนกับเราอาจจะยังไม่คุ้นไม่ชินนะสำหรับคนใหม่คนใหม่นะส่วนคนเก่าก็คงจะคุ้นชินแล้วล่ะก็คงจะง่าย คนใหม่ก็ยังงงๆอยู่นะเพราะส่วนมากวันแรกนี่วันสุดท้ายที่ประเมินผลปรากฏว่าคนที่เพิ่งจะมาวันแรกนี่บอกว่าเห็นแล้วงงมากเรางงทําไมไมายกมือกันแบบนี้อะไรเงี้ย อ, อยกมือกันก็งงนะเพราะว่าเราไม่ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแเราพอหลายๆคนบอกว่าอยากจะหนีกลับบ้านก็มีเพราะว่าวันแรกวันที่สองอยากจะหนีกลับบ้านเลยเพราะว่า แบบไม่ชอบก็มีหลายๆคนนะอันนี้ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องอมีความเรียกว่าทดลองดูนะการทดลองนี้ถือว่าไม่ผิดนะเหมือนกับเรามีร้านอาหารหลายๆร้านเนี่ยเชลชนชิมเยอะแยะเลยเราอ้ร้านนี้ก็อร่อยร้านนู้นก็อร่อยนะถ้าเราไม่ชิมหมดทุกร้านเราก็ไม่รู้ว่าร้านไหนอร่อยจริงนะ ครั้นี้จริงๆเราก็ไม่มีร้านให้ชิมทุกร้านหรอกนะเราก็มีเป็นบางร้านเท่านั้นเองนะเพราะเรามาที่นี่เราก็ไม่มีร้านอื่นให้ชิมแล้วก็มีร้านนี้ร้านเดียวเ <c oughs> พราะฉะนั้นเราไม่มีโอกาสไปชิมร้านอื่นนะครั้ น, นี้ถ้าเราชิมแล้วเนี่ยอร่อยหรือไม่อร่อยเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองนะนะวัดนี้บอกว่าทําอาหารชนิดนี้โอ้คนก็มารับประทานก็เยอะแยะเลยเนี่ยเราก็มาลองดูแล้วกันนะบางทีอาจจะแซ่บนะถูกปากถูกใจเราก็ได้ จนเราไม่อยากไปกินร้านอื่นเลยก็ไม่แน่เหมือนกันนะวิธีการที่เราปฏิบัติวิธีนี้ก็เรียกว่า เ, าเป็นความทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะการรู้สึกตัวนี้ต่างจากการปฏิบัติวิธีอื่นเช่นการนั่งสมาธิให้จิตสงบเป็นต้นนะอันนั้นเป็นวิธีการสมะถะกรรมฐานนะทำให้จิตเกิดความสงบนิ่งนะแล้วก็ทาให้เกิดนะ เกิดยานเกิดฌานขึ้นมาทีหลังนะซึ่งเป็นวิธีการที่ทุกวันนี้เรียกว่ายากมากนะยากมากเพราะว่าเราเป็นคนทำงานกันนะเราทำงานกันวันนต้องหลายๆชั่วโมงนะอย่างน้อ ย, อ ย, อยก็แปชั่วโมงแล้วละจิตใจก็มีการขึ้นขึ้ น, นลงลงทั้งวันนะเดี๋ยวก็กระทบอารมณ์นู่นอารมณ์นี่แทบทั้งวันนะ คั้นี้จากการที้กระกรทอบอปรลมเนี่ยมันก็น้ําในขวดนะมันมีตะกรอนอยู่มันก็โดนเขยา่านะตะกรอนก็ขึ้นมาขุ่นมัวทั้งวันนะครั้นี้เราจะวางให้ตะกรอนเนี่ยมันจะใสะเป็นน้ําใสก็ต้องใช้เวลานานมากเหลือจะไม่ใสเลยนะเพราะจิตที่โดนเขย่าทั้งวันหรือกระทบอปรลมทั้งวันเนี่ยถ้าจะมั่งนั่งสมาธิให้สงบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ยากในทุกวันนี้นะทําได้ยากจริงจริงนะ แค่ทำจิตสงบเท่านั้นเองก็เป็นสิ่งที่ยากแล้วนะแล้วการที่จะเกิดฌานเกิญญาณก็ยิ่งยากใหญ่นะพาะโอกาสที่เราจะบรรลุธรรมก็เป็นสิ่งที่ยากแต่ไม่ใช่ก็เป็น ไ, ไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่ยากสําหรับคนในยุคเรานะเพราะฉะนั้นในยุคเรานี่ถือว่าเป็นความโชคดีของคนรุ่นเราซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นะได้พบวิธีการอีกแบบหนึง่งนั่นก็คือเราไม่เอาความสงบกันนะแต่เป็นการเอาความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัว นี้เกิดจากอะไรนะเกิดจากการที่เราเนี่ยนำร่างกายของเราเนี่ยมาเคลื่อนไหวขึ้นมานะเพราะกายเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่หยาบกายเป็นสิ่งที่หยาบการที่เราเคลื่อนไหวแต่ละครั้งนะเคลื่อนไหวจากเมื่อก่อนที่เราเคลื่อนไหวแล้วเราไม่ได้ไปรับรู้การเคลื่อนไหวอันนั้นเราก็ชื่อว่าเราเคลื่อนไหวแบบเป็นคนที่หลงนะหลงไปพระพุทธเจ้าบอกว่า สติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4ี่เป็นหนทางเอกเป็นหนทางเอกนั่นคือเป็นทางที่จะถึงความพน้นทุกข์ได้นั่นก็มีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเนี่ยก็คือข้อกายานุปัสสนานั่นเองนะเราจะมีความรู้นะ มีความรู้สึกตัวมีสติในการยืนเดินนั่งนอนอันนี้เป็นอิริบทใหญ่นะอิริบทย่อยก็คือดื่มกินพูดคิดคู่แขนเหยียดแขนก้มเงยเป็นต้นเนี่ยให้เรารู้สึกตัวไปเรื่อยๆทั้งวันนะต่อเนื่องไปทั้งวันอย่างเราท่านก็บอกว่าสามารถที่จะบรรลุทําได้โดยใช้เวลาไม่นานนักนะอันนี้ก็คือเราจากการที่เราเคยขึ้นไหวแล้วเราไม่รู้สึกตัวคือขึ้นไหวอ ย, อย่าง เ, าเขาเรียกว่าเราไม่รู้ว่าเรากําลังทำอะไรอยู่ อ่าก็เรียกว่าเราหลงไปนะใช่บางทีเราเราเดินก็ไม่รู้เราเดินใช่ไหมเดินไปก็คิดไปโอ้จะไปทํางานทันไหมยนเย็นนี้จะไปรับลูกทันไหมอ่ปลายเดินจะส่งหนี้ทันไหมนะก็คืออยู่ในอนาคตอยู่ในอดีตนั่นเองไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะก็คือเราเดินก็ไม่รู้ว่าเรากาลังเดินอยู่แต่ว่าเดินด้วยความหลงนะเดินไปก็คิดไปสู่อดีตสู่อนาคตนั่นเอง ครั้นี้เราทําอย่างไรนะเราก็กลับมาสู่ปัจจุบันให้ได้นั่นเองนะการที่สู่ปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วก็ยากแต่ว่าไม่ยากสําหรับผู้ที่เข้าใจนะการที่เราเคลื่อนไหวแต่ละครั้งโดยเกิดความรู้สึกตัวแล้วนะอันนี้ชื่อว่าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วนะที่เราพลิกมือยกมือเคลื่อนไหวมือนะ ยกมือขึ้นหยุดกระทบนะที่หน้าตัดที่ท้องที่หน้าอกแต่ละขณาแต่ละขณะถ้าเราเกิดความรู้สึกตัวในขณะที่มีการขึ้นไหวมีการหยุดอันนั้นก็ชื่อว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยอานะการนี้เราอยู่กับปัจจุบันนะเพราะนั้นการที่เราขึ้นไหวแต่ละครั้งแล้วเรารู้นั่นนะเป็นการที่อยู่กับปัจจุบันนะมาอยู่กับปัจจุบันปั๊บเนี่ยความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นนะรู้สึก ตัวปั๊บเนี่ยนั่นแหละคือสติก็เกิดขึ้นมาแล้วสติก็คือการที่เราสามารถที่จะระลึกได้เรากำลังทําอะไรอยู่เป็นการอยู่กับปัจจุบันนะเมื่ออยู่กับปัจจุบันปั๊บเนี่ยเราก็สามารถจะรู้ว่าอาดีตอนาคตเนี่ยจะเข้ามาก็รู้ทันแม้กเรานั่งเบาะเบาะที่เรานั่งเนี่ยเราก็นั่งได้คนเดียวนะคนอื่นจะมานั่งเบาะที่เรานั่งเนี่ยไม่ได้ทามานั่งปุ๊บเราจะรู้ทันทีเลยว่าเออ เขามานั่งเราก็ผลักเขาออกไปได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันนะอดีตหรือนาคตเข้ามาเราก็จะรู้ทันนะเป็นวิธีการนี้ง่ายๆเพื่ออะเราอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งนะถ้าเคลื่อนไหวด้วยกายเคลื่อนไวหวใจรับรู้แล้วเนี่ยก็จะอยู่กับปัจจุบันนะหรืออย่างที่พระอาจารย์ทรงสิ น, นบอกว่าใจมีสติอยู่กบกายนะใจมีสติอยู่บกายก็คือเนะี่ยเราเคลื่อนไหวนะ ใจก็มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวนั่นแหะคือใจมีสติอยู่กับกายผลลัพธ์ก็เท่ากับปกตินะปกติก็คือความที่เราอยู่กัปัจจุบันนั่นเองนะเพราะนนั้นโดยวิธีการเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาได้นะสมมติเรานั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆแล้วเกิดอะไรขึ้นนั่งนิ่งนี่ถ้าเรานั่งนิ่งๆแล้วเนี่ยจะเกิด2ออย่างขึ้นมานะก็คือเราจะคิดไปเรื่อยๆนะคิดไปไม่จบ คิดเรื่องนี้เสร็จไปคิดเรื่องนั้นต่อบางที่คิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเราก็ไม่รู้ว่าเรากำลังคิดอยู่นะแต่เมื่อมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมีการเคลื่อนไหวแล้วเราเกิดความรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยการคิดนั้นจะไม่ยาวแล้วมันจะสั้นลงนะก็จะกลับมาที่ตัวรู้อีกครั้งหนึ่งนะเขาเรียกว่าเกิดการเชื่อกินขึ้นระหว่างความคิดที่มันหลงไปนะกับความรู้สึกตัวนะความคิดก็มีสองอย่างก็คือความที่เราตั้งใจคิด เช่นเราจะวางแผนในการทํางานอะไรก็แล้วแต่อันนั้นคือการตั้งใจคิดก็ไม่เป็นไรเราก็คิดให้จบๆส่วนสิ่งที่เราไม่ตั้งใจคิดนั้นนะคิดขึ้นมาเองอันนี้เขาเรียกเป็นตัวหลงหมดเลยนะตัวหลงคิดนี่แหละเป็นสิ่งที่นําความทุกข์มาให้เรานํากิเลสนําตัณหามาให้เราเยอะแยะเรามีความทุกข์จากความที่เราหลงคิดนี่แหละอันนั้เนเขาเรียกว่าตัวหลงไปนะตัวหลงยิ่งหลงมากเนี่ยเราก็ยิ่งรู้น้อยนะ นะเพราะนั้นสิ่งที่ตรงข้ามกับตัวหลงก็คือตัวรู้เราก็สร้างตัวรู้นั่นคือความรู้กตัวขึ้นมาเยอะๆนะความหลงก็จะน้อยไปเองนะเหมือนกับความหลงนี่เหมือนก็น้าเน่านะ้าเน่านี่เราไม่ต้องให้น้าเน่าหมดไปเราพียงใส่น้ําดีไปเยอะๆเยอะน้ำเน่าก็จะน้อยลงไปหรือหมดไปทีหลังนะ e. นะเพราะนั้นตัวหลงนี่เราไม่ต้องไม่ตั้งใจให้หมดหลงเช่นคนวามหลงคิดทั้งหลายเราไม่ต้องไปให้มันหมดหรอก มันมันจะไม่หมดแน่นอนนะไม่หมดแน่นอนเพราะว่าจิตเนี่ยมีหน้าที่คิดอยู่แล้วนะมันจะหลงทั้งวันอยู่แล้วส่วนเราเราจะต้องมีหน้าที่รู้เท่านั้นเองนะรู้เมืนะ่อเรารู้มากๆเนี่ยความหลงก็จะน้อยลงอนะยิ่งรู้มากเนี่ยหลงจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะแต่ไม่ใช่หมดไป <c oughs> ต่อไปเราจะทันความหลงนะจากการที่เราหลงเนี่ยหลงยาวก็กลายเป็นหลงสั้นสั้นๆ้นไปเรื่อยๆนะเราก็จะกลายเป็นคนคิดสั้น คิดสั้นไม่ใช่หมายคิดว่าเออเป็คาร์ดตายนะ <c ười> คิดสั้นก็คือมันคิดปุ๊บเนี่ยมันก็สั้นลงไปเรื่อยๆแล้วจากการเคยคิดนานๆก็เริ่มเออคิดปุ๊บเนี่ยเราดูทันทีหลังเนี่ยคือความคิดมันจะสั้นลงนะก็เริ่มจากฐานกายก่อนนะคราวนี้เราต้องมาปฏิบัติทําไมตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเอออยู่บ้านก็สบายมากนะดีกว่าอยู่วัดซะอีกต้องมาปฏิบัติทําไมนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะเพราะเคยอบรมมาเนี่ย มีผู้ที่ได้ผลและไม่ได้ผลเนี่ยแบ่งเป็นสองสองประเภทคือประเภทแรกนี้ไม่ตั้งใจปฏิบัติถูกบังคับมาอันนี้เวลาปฏิบัตินี่ก็ไม่ตั้งใจจริงก็ไม่ก็ได้ผลนะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่ตั้งใจมาปฏิบัติจริงๆนะพวกนี้จะได้ผลเยอะครั้ น, นี้นะก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันก็คือนะผู้ที่เห็นทุกข์กับไม่เห็นทุกข์นะผู้ที่ไม่เห็นทุกข์เนี่ย โอกาสที่จะปฏิบัติธรรมได้ผลเนน้อยมากเลยนะเพราะจากเกินการที่เคยอบรมนักเรียนนักศึกษาเนี่ยอบรมยากมากเพราะว่าเขาปฏิบัติไปแบบนั้นแบบนั้นเองนะเพราะปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรไม่ได้ผลจริงๆเพราะว่าเขาไม่รู้จะปฏิบัติไปทําไมเหมือนกันเพร า, าไม่ให้จบไปบวันๆหนึ่งนะจุดสําคัญก็คือเขาไม่เห็นทุกข์นะส่วนผู้ที่เห็นทุกข์นี่ก็เป็นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติจริงนะเขาตั้งใจปฏิบัติจริงแล้วก็ได้ผลเร็วนะ เพราะนั้นโดยประเด็นนี้ก็คือว่าเราเห็นทุกข์หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะถ้าเราไม่เห็นทุกข์นี่เราก็ไม่ได้ประโยชน์เออเราจะปฏิบัติไปทำไมไม่ได้ผลอะไรเลยนะคือว่าไม่ได้ประโยชน์ในจุดนี้หรือว่าเราจะไปใช้อะไรอะไรดีนะเพราะเราไม่เห็นประโยชน์ที่เราจะไปใช้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะปฏิบัตินะไม่อยากจะทำ <c oughs> แต่ถ้าเราคิดว่าเออถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะอ่ คนจะความทุกข์ได้นะหรือถ้าไม่มีความสุขขึ้นมาได้เนี่ยเราก็อยากจะไปบัตรกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเ้าเรียกว่าโยนิโสมนมนาศิการก็คือทำใจให้แยบคลายในการที่เรามาศึกษามาเป็นบัตรในครั้งนี้น ะ, ะประเด็นสาคัญว่าเรารู้ไม่ว่าทุกเกิดจากอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จ ะ, ะพิจารณาว่าทุกเกิดจากอะไรนะทุกนี่จริงๆแล้วก็เกิดจากกายกับใจของเรานั่นเองนะ กายของเรานี่ยมีการเกิดแก่เจ็บตายนะทุกในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะเป็นประเด็นสําคัญนะคือร่างกายเราเนี่ยมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเราจะหนีไม่พ้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บและมีความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครหนีพ้นเลยนะนอกจากนั้นก็มีความทุกข์ที่จอนเข้ามาอีกต่างหากอีกเยอะแยะความหิวความกระหายความปวดความเมื่อยนะ ความเจ็บไขรเล็กๆน้อยๆนะความง่วงนอนทั้งหลายแหละแล้วเนี้ยเป็นความทุกข์ที่จอนเข้ามาทางนั้นนะอันนี้เป็นความทุกข์ทางกายแทบทั้งหมดเลยนะส่วนที่สำคัญกว่านั้นก็คือความทุกข์ทางใจนะความทุกข์ทางใจนี้นะถ้าเรารู้ว่าความความทุกข์ทางใจเกิดจากอะไรแล้วเนี่ยความทุกข์ทางใจเนียแทบจะเกิดกับเราไม่ได้เลยนะจะเกิดแต่ทางกายเท่านั้นนะ เราจะพิจารณาอย่างนี้นะว่าพระอรหันต์นะพระอรหันต์นี้ท่านมีแต่ความทุกข์ทางกายส่วนทางใจนี้ท่านไม่ทุกข์แล้วนะเพราะว่าท่านมีความเข้าใจในสาเหตุแห่งความเกิดทุกข์นั่นเองนะคือสมุทัยสาเหตุแห่งความเกิดทุกข์แล้วท่านก็ดับสาเหตุนั้นได้ท่านจึงไม่มีความทุกข์ทางใจนะมีแต่ความทุกข์ทางกายเพราะฉะนั้นโดยประเด็นสําคัญแล้วความทุกข์ทางกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยง ไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นไปส่วนความทุกข์ทางใจนี่เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้จริงๆนะแค่เรารู้สาเหตุแห่งความที่เกิดความทุกข์ทางใจเท่านั้นเองนะความทุกข์ทางใจนั้นเกิดจากอะไรนะเกิดจากความคิดของเราเท่านั้นนะเกิดจากความคิดของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะอันนี้ไม่ได้พูดเองนะครูบาอาจารย์ให้กับพูดแบบนี้ความทุกข์เกิดจากความคิดของเรานะความคิดที่เข้าไปในอดีตหรืออนาคตนะ ท, ทั้งหมดนี้เป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งนั้นเลยนะเช่นเราคิดเป็นอดีตนะยกตัวอย่างง่ายๆว่าเราเมื่อสัก5ปีก่อนเนี่ยเคยสูญเสียของที่เรารักไปนะหรือเคยโดนคนเข้าด่าว่าดูถูกนะหรือถูกดูถูกดูมินในที่สาธารณะนะนะพอคิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะมีความทุกข์ทุกครั้งที่เราคิดถึง อันนี้นะเหมือนกับคนก็มีมาแทงเราครั้งเดียวเนี่ยเขาก็จากเราไปแล้วแต่เรายังมีมาแทงเราอีกนับครั้งนับไม่ถ้วนนะนะยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เห็นอ่าเป็นอดีตนะยกตัวอย่างนะเกิดในอดีตส่วนในอนาคตก็มีนะอนาคตนี่อีกสักปีหน้าเนี่ยต้องชําระหนี้อะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่เรามาคิดไปบันก็เกิดความทุกข์ความกังวลแล้วเนี่ยยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ทั้งทั้งที่มันเป็นเรื่องของอนาคตนะอืม หรือในปัจจุบันนี้ก็ได้นะปัจจุบันนี้นะสมมติว่ามีคนเข้ามาด่าเรานะถ้าเราไม่คิดอะไรนะเราก็รู้เฉยๆเราก็ไม่ทุกข์ไม่โกรธนะแต่พอเราคิดปั๊บโอ้ด่าเราทําไมทำไมต้องมาดา่าเรานะเรื่องแค่นี้ <S <s ด่าไปทําไมหรือไม่รู้ <S <s หรือว่าเราเป็นใครนะเราไม่ได้ทดําผิดสโนยมาดา <S <s ่าไปท <s> ําไมพอคิดปั๊บก็จะเกิดความทุกข์ความโกรธขึ้นมาทันทีเลยนะแต่ถ้าเราไม่คิดก็จะไม่ทุกข์นะหรือคนเข้ามาขับรถปาดหน้าเรานะ ถ้าเราแค่รู้เฉยๆเราก็ไม่โกรธเหมือนกันนะแต่พอเราคิดโอ้ปาดหน้าทําไมนี่เมื่อกี้ไม่เหยียบเบรคก็ชนไปแล้วเนี่ยดูถูกดูหมิลล่นเราหน้่ๆเลยนะต้องไปขับปาดเขากลับนะปาไปปาดมาไม่เท่าไรเดี๋ยวก็อาจจะมีปัญหาตาไม่เยอะแยะนะเนะี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่เราคิดเท่านั้นเองมันก็เกิดความทุกข์แล้วแต่เราแค่รู้เฉยๆมันก็ไม่ทุกข์เนะี่ยอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นความทุกข์จากความคิดทั้งนั้นเลยนะ แค่เรารู้สาเหตุแห่งความทุกข์นะเราก็จะออกจากความทุกข์ได้จริงๆนะพอเรารู้สมุทัยแล้วนะสมุทัยคือเหตุแห่งการเกิดทุกข์ถ้าเรารู้เหตุมันต่อไปความทุกข์ทางใจก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้อีกแล้วก็ทําอย่างไรเล่าเราจะรู้ทันความคิดเหล่านั้นนะการที่เราจะรู้เท่าทันความคิดนั้นก็เกิดขึ้นจากการที่เรามีสตินั่นเองนะสตินี้ในนะ หนังสือนว่าวาดบอกว่ า, วาทำที่มีอุปการลามากมี2 อ, อย่างคือ1คือสติคือความระลึกได้สองสามัญญะคือความรู้สึกตัวนะสตินั้นก็คือความระลึกได้นะพอเรายิ่งระลึกได้ไวขึ้นเท่าไหรนะ่ความคิดก็จะสั้นลงไปเท่านั้นนะยิ่งสั้นนะความทุกข์ก็จะยิ่งน้อยลงนะน้อยลงเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยพอเราระลึกปุ๊บโอจะไปคิดปุ๊บ มันจะนำความทุกข์มาให้เราก็จะหยุดคิดทันทีมันก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้อีกเนะเป็นสาเหตุสาคัญที่จะเราจะไม่มีความทุกข์จากความคิดอีกต่อไปนะและการที่เราจะไม่มีความคิดนั้นหรือคิดในน้อยลงนะรู้ความคิ ด, ดเร็วขึ้นก็เกิดจากการที่เราอยู่กับปฏิบัติบ่อยๆนะเกิดจากความรู้สึกตัว บ, บ่อยๆนะคร น, นี้บางคนก็เคยถามนะเคยถามอาตมาบอกว่าวิธีการปฏิบัติเนี่ยมีเยอะจังเลยนะเยอะจังเลย เราจะไปบัตรวิธีการไหนดีนะมีทั้งพุโทโธนะสามมาราหังทองยุบมาหรือเจริญสติเนี่ ย, ห ล, ยหลายวิธีเนี่ยจะไปบัตรแบบไหนนะก็เลยบอกไปว่าไปบัตรแบบไหนก็ได้สําคัญว่าให้ตรงกับจริตของเราเท่านั้นเองนะคำว่าตรงกับเจริตนี้หมายความว่าอย่างไรนะตรงกับจริตก็หมายความว่าเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยตรงกับจริญนะไม่ใช่หมายความว่าเราไป เห็นนิมิตต่างๆนะหรือจิตมีความสงบหรือถอจิตไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้ได้อันนั้นไม่ใช่คำ ว, ว่าตรงกระจหลิตนะอันนัน้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความปรุงแต่งนะหรือเป็นอาการของจิตยอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคำ ว, ว่าตรงกระจหลิตหมายความว่าเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราต้องสังเกตดูว่ากิเลสเราลดลงไปไหมนะเช่นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยลดลงไปไหมนะนี่เป็นประเด็นที่สําคัญนะเราจะปฏิบัติมากี่ปีก็แล้วแต่นะ หปีสปี5ปี10ปีนะต้องสังเกตนิดนึงว่ากิเลสลดลงไปไหมเช่นความโกรธเนี่ยลดลงไปไหมหรือว่าเท่าเก่าหรือว่าเพิ่มขึ้นนะอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญเลยถ้าเราไม่สังเกตในจุดนี้นะเราก็จะเสียเวลาไปนานมากนะเป็นนานจริงๆนะบางทีจะตลอดชีวิตเลยนะเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นประเด็นที่สําคัญว่าเราสังเกตว่ากิเลสลดไปลดไปไหม แต่ถ้าเราปฏิบัติโดยวิธีการใดก็แล้วแต่นะกิเลสของเราลดลงความโลภความโกรธความหลงเราลดลงเนี่ยก็ถือว่าถูกกรบจิตของเราแล้วเนี่ยก็ให้ปฏิบัติต่อไปได้นะถือว่าตรงกับจริตของเรานะไม่ว่าวิธีการใดก็แล้วแต่นะไม่ต้องใช้วิธีนี้ก็ได้นะขอให้กิเลสเราลดลงไปก็ใช้ได้แล้วนะี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราต้องจับประเด็นให้ถูกนะอันเนี้ย แล้วเราก็จะเข้าใจนะว่าเราปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรนะก็คือเพื่อให้เรารู้เท่าทันกิเลสนั่นเองนะการที่กิเลสจะลดลงไปได้น่เกิดจากการที่เรารู้เท่าทันนะเพราะถ้าเรารู้ไม่เท่าทันแล้วเนี่ยกิเลสมันจะลดไปไม่ได้แน่นอนนะและการที่เราจะรู้เท่าทันกิเลสนั้นก็เกิดจากการที่เรารู้ทันความคิดนั่นเองนะยิ่งเรารู้ทันความคิดได้บ่อยขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็ จะรู้เท่าทันกิเลสต่างๆหรือลมต่างๆที่เกิดขึ้นได้ไวขึ้นนะได้ไวขึ้นจริงๆนะครั้นี้ก็จะยกตัวอย่างยกตัวอย่างก็มีมีนักปฏิบัติจากบุรีรัมนะเป็นพยาบาลไม่รู้มีใครมาจากบุรีรัมหรือเปล่ามีไหมครั้นี้ก็มาปฏิบัติที่นี่แหละตอนปฏิบัติก็เหมือนกับไม่ค่อยได้อะไรนะพอกลับไป กลับไปแล้วเนี่ยก็ไปเดินอย่างกลมยังปฏิบัติอยู่เรื่อยๆพอได้มีวันหนึ่งนะมีอ่าคนไข้เข้ามาประสบอุบัติเหตุโดนอ่าเป็นมอเตอร์ไซค์คว่ำก็เลยถามเรื่องพอรบรนะครเพราะว่าพรบนี่เกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาถามกับกับญาติพี่น้องของเขาหน่นแหละพอถามแล้วก็เข้าไปในห้องไปนั่งเขียนนั่งจดอยู่เพือพ่อนพยาบาลก็ตามมาเลยบอกว่าเออเธอรู้ไหมเนี่ยตอนนี้ ญาติเขาต่อว่าเธอใหญ่แล้วนะบอกมายังไม่ทันไรเลยพูดเรื่องกันเรื่องทองแล้วนะอะนี่เขาก็เกิดความโกรธขึ้นมาทันทีแล้วโมโหขึ้นมาทันทีเลยโอ้เราก็ทําตามหน้าที่แล้วทําไมเรื่องแค่นี้ต้องมาว่าเรานะี่ยก็เลยเตรียมตัวที่จะหันกลับไปว่าเขากลับนะพอหันหลังกลับลุกมาเดินสี่ห้าเก้าท่านนี้นเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีเลยปรากฏว่าความโกรธนี่หายวับไปต่อหน้าต่อตาเลยนะ พอเดินไปถึงแทนนี้จะไปต่อว่าเขากลับก็ไปพูดดีๆกับญาติเขาเป็นอย่างไรบ้างคะมีอะไรจะให้ช่วยบ้างคะเนี่ยเกิดความแปลกใจนะไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเพราะทุกทีนี้ก็เป็นคนที่โมโหลายเหมือนกันนะเออทำไมความโกรธมันหายไปได้แวบบเดียวต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยเกิดความงงเหมือนกันอ่าตอนหลังก็กลับมาที่วัดเนี่ยก็มาเจอแล้วก็มาถามถามตัมมาว่าเออทำไมความโกรธมันหายไปได้ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะ ก็เลยที่บายให้เขาฟังว่าคือจิตของเราจิตของคนเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นดวงเดียวนะตลอดนะจิตคนเราเนี่ยมันจะเกิดเกิดดัดับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เกิดได้แต่ละขณะแต่ละดวงเท่านั้นเองนะความโกรธนั้นก็คืออกุศลจิตนะความโกรธนั้นเป็นอกุศลจิตนะครั้นี้เมื่อเขาเดินเดินไปเนี่ยสี่ห้าเก้าเนี่ยเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาจากการที่เคยฝึกเดินอย่กลมนะนะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาปั๊บเนี่ย ความรู้ส <rôle CCTV> ึกต <of the> <ici> ัวนั้นก็คือกุศลจิตนั่นเองนะเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอากุศลจิตก็เลยดับไปทันทีนะดับไปเลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทําไมความโกรธถึงดับไปได้ต่อหน้าต่อตานะคือเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานั่นเองนะเพราะนั้นการที่เรามาปฏิบัตินี้นะก็คือเราฝึกให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาบ่อยๆนะรู้สึกตัวขึ้นมาบ่อยๆนะ พอการที่เรารู้สึกตั ว, วบ่อยๆเนี่ยต่อไปมันก็จะไวขึ้นนะบางทีเราแค่ขยับนิดนึงก็จะรู้เท่าทันแล้วนะแค่เราเดินไม่กี่ก้าวก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะแต่ถ้าเราไม่ไม่มาฝึกเนี่ยจะไม่รู้สึกตัวแน่นอนนะเคยถามคนที่อายุห้าหกนะเวลาเดินเนี่ยบอกว่ารู้สึกตัวไหมเขาบอกเขาไม่รู้สึกตัวหรอกนะขนาดเขาเดินมาต้องห้าหกปีแล้วนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกขึ้นมาฝึกที่จะให้มีความรู้สึกตัวขึ้นมานะ พอเรารู้สึกตัวได้แล้วเนี่ยอีกหน่อยพอเราขยับนิดขยับหน่อยยกมืออะไรเนี่ยเราก็รู้รู้สึกตัวได้นะจะยกมือทําอะไรก็แล้วแต่กวาดบ้านถูบ้านเคลื่อนไหวยืนได้นั่งนอนเราก็รู้สึกตัวได้เหมือนกันหมดนะถ้าเราฝึกตัวนี้ให้เกิดความชํานาญนะเคลป็นวัสีเกิดความชํานาญในการรู้สึกตัวขึ้นมาโดยใส่ฐานกายเป็นหลักพอเรารู้รู้สึกตัวขึ้นมาบ่อยๆเนี่ยอารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยถ้าเป็นอกุศลแล้วพอเรารู้สึกตัวปั๊บเนี่ยมันก็จะตัดทันทีเลย เพราะว่าความรู้สึกตัวนั้นก็คือกุศลจิตนั่นเองนะอกุศลก็จะดับไปโดยเหตุนั้นนะเพราะฉะนั้นความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากความคิดในความเป็นในทางความโลภความโกรธความหลงอันนี้บอกว่ามันเกิดจากความคิดนะความโลภความโกรธความหลงพวกนี้เกิดจากความคิดทั้งนั้นเลยถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่เกิดหรอกที่นเราไปเดินในห้างสรรพสินค้าเราไปเห็นโอ้โหมือถือในรุ่นใหม่อยากได้จังเลยนะอยากได้จังเลยนั่นแหละ ไปคิดปุ๊บมันก็เกิดความโลภขึ way, ้นมาเพราะเราไปคิดนั่นเองนะแต่เราไม่คิดเราก็ไม่โลภนะเพราะจริงๆแล้วอารมณ์ทั้งหลายเกิดจากความคิดของเราเป็นหลักเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ทันความคิดแล้วเนี่ยอารมณ์ต่างๆเราก็จะรู้ทันว่าเหตุนี้นั่นเองนะเนี่ยการที่เรารู้สึกตัวปรับหนึ่งมันก็จะไปตัดอารมณ์พวกนี้ให้หมดไปนะอกุศลทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ก็ถ้ามันบางคนบอกว่าเออทำไมเรารู้ทันความโกรธแล้วเนี่ยความโกรธมันไม่ดับไปสักทีหนึ่งนะการเรารู้ทันความโกรธก็ต้องรู้ทันรู้เฉยนะรู้เฉย การนรู้เฉยๆนั้นเป็นกุศลจิตแต่ถ้ารู้แล้วอยากจะากให้มันดับไปอยากให้ความโกรธดับไปนี่ก็เป็นอกุศลจิตเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอกุศลจิตมันก็เป็นกลุ่มเดียวกันมันอากุศลจิตมันึ็ไม่ดับไปนั่นเองนะเราก็ต้องรู้เฉยๆนะที่พูดวันนี้ก็คือเป็นผลนะเป็นผลจากการที่เราปฏิบัติแล้วนะครา้ น, นี้เราจะเริ่มต้นนะจากฐานกายก่อนนะสิ่งที่ว่ามานั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นผลเท่านั้นนะ แต่ต้องเริ่มจากเหตุนะก็คือความรู้สึกตัวให้ได้ก่อนนะเราต้องมาฝึกความรู้สึกตัวให้ได้โดยประการแรกรต้องมีศรัทธาก่อนนะไม่ว่าเราจะมาจากอะไรก็แล้วแต่นะเคยฝึกมาวิธีไหนก็แล้วแต่นะสิ่งสำคัญคือเราต้องทิ้งของเก่าก่อนนะถ้าเรามีของเก่าอยู่เขาเรียกว่าเป็นชาล้นถ้วยนะหรือผ้าที่มันยอมแล้วเนี่ยเพราะนั้นเราจะยอมผ้าใหม่มันก็ไม่ติดหรือไม่สวยนะจะใส่น้ลงไปถ้วยมันก็เต็มก็ลออกมา เพราะเราก็ต้องทิ้งของเก่าก่อนให้หมดไปนะยาววิธีการเก่าๆมาใช้มารวมกันนะเพราะนั้นการปฏิบัติก็จะไม่ไม่ได้ผลเราต้องอมีศรัทธาในการที่จะรับวิธีใหม่อย่างเต็มที่ในการยอมรับนะแค่เจวันเท่านั้นเองนะถ้าเราปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลเราก็เลิกปฏิบัติไปตลอดเลยไม่ต้องมาปฏิบัติก็ได้นะแต่ในโอกาสนี้นะเราก็ต้องมาตั้งใจปฏิบัติกันให้เต็มที่นะ เพราะว่าจริงๆแล้วนะเราก็ถือว่าเราเป็นผู้ที่มีบุญนะที่ได้มาปฏิบัติที่วัดป่าสุวโตนี้เป็นเวลาถึง7วันนะถือว่ามีบุญมากทีเดียวเพราะคนที่จะมาปฏิบัติเช่นนี้หาโอกาสได้ยากมากโดยเพราะคนที่นะทำงานทำการในกิจการส่วนตัวมีธุร ก, กิจส่วนตัวหรือทำงานบริษัทเนี่ยโอกาสที่จะมา7วันนีย้ยากมากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้คนจะฉวยโอกาสในเช่นในวันปีใหม่นะวันปีใหม่ หยุด3าวัน4วันเนี่ยเขาจะรีบมาทันทีเลยนะมาทันทีหรือบางคนต้องดูวันนักขัตฤกษ์หยุดวันศุกร์หรือวันจันทร์ได้มีโอกาสศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือเสาร์อาทิตย์จันทร์เขาก็ต้องรีบมาจากกรุงเทพนะอุตสาห์รีบมากันนะอันนี้นะคนเขารีบมาเขาก็ไปบัตรได้เต็มที่แค่สีวันเป็นอย่างมากเขาไม่ถึง7วันหรอกครนะเพราะฉะนั้นพวกเรามีโอกาสเต็มที่แล้ว7วันนะก็ให้ช่วยโอกาสนี้ ปฏิบัติให้ได้ให้ได้ผลนะไม่ต้องเน้นว่าให้ได้ผลแต่ว่าให้ป็นบัติเต็มที่ก็แล้วกันนะก็คือโอกาสเนี่ยถือว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองแล้วนะเพราะว่าเราเคยให้กับคนอื่นมาเยอะแล้วนะแต่ว่าเราเอาเวลาเนี่ยมาทำให้กับตัวเราเองนะทให้กับตัวเราเองเพราะว่าความที่เรา ความทุกข์ทั้งหลายไม่ใช่ว่าจะหมดไปในชาตินี้ก็หาไม่นะตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่แม้แต่เพียงเล็กน้อยเอเราจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกนับภพบนับชาติไม่ท่วนนะยิ่งกิเลสเราเยอะเนี่ยภพชาติก็จะยิ่งยาวยาวมากขึ้นนะจะต้องไปเกิดไม่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปเกิดเป็นมนุษย์ทุกทุกชาติก็หาไม่นะบางทีเราไปเกิดเป็นสัตว์ได้ในชาติเป็นเปรตอสุรสกายสันนโกเนี่ยเยอะแยะเลยนะ คนที่จะไปเกิดในทางที่ดีก็ว่ามีเท่ากับเขาโคเท่านั้นส่วนที่ไปเกิดในยบายภูมิเนี่ยมีเท่ากับขนโคนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะได้ไดเกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราต้องได้จะได้มานั่งเจริญสติในทุกชาติก็หาไม่นะยิ่งกินเหลรเราเยอะเนี่ยเวียนบ่ายแต่เกิดอีกยาวนะแต่ถ้ากินเหลเราค่อยๆลดน้อยลงนะน้อยลงไปเท่าไหร่ภพชาติเราจะยิ่งน้อยลงไปเท่านั้นนะอนะ่มันจะยิ่งน้อยลงจนกระทั่งเราสามารถไปบัตินะ่าจน เรารู้เท่าทันกิเลส ท, ทั้งหลายแล้วได้แทบทุกขณะแล้วเนี่ยกิเลสก็จะแทบจะลดลงไปจนหมดนะเราอาจจะถึงซึ่งความพ้นทุกในความพ้นทุกได้ในชาตินี้นะอันนี้ก็คือประเด็นสําคัญที่ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดที่เรามาปฏิบัติกันนะก็เพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์ให้ถึงในชาตินี้นั่นเองนะส่วนถ้าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้ถึงที่สุดแห่งทุก์แล้วเนี่ยาจากการปฏิบัติโดยวิธีการจากเจริญสตินี้เนี่ยเราไปใช้ในชีผูจําวันได้จริงจริงนะ เป็นสิ่งเรานําไปใช้ได้จริงๆนะซึ่งต่างจากวิธีการสมราทาสมาธานั้นเราบางที่ปฏิบัติแล้วโอ้โหจิตสงบนิ่งจริ ง, รงๆเลยเป็นเอกลักษณตาเป็นหนึ่งแต่พอลืมตาปุ๊บหายหมดเลยหายหมดเลยเอาไปใช้ก็ไม่ได้บางที่เป็นคนอาจจะหงุดหงิดมากกว่าเก่าอีกเพราะเราติดสงบปุ๊บเนี่ยก็อยากจะสงบอยู่ตลอดนพะพอใครมารบกวนความสงบปุ๊บเราก็หงุดหงิดบางที่ก็โกรธไปเลยนะแต่ว่าวิธีการนี้นะถึง ที่ว่าเราสามารถที่นําไปใช้ได้จริงเพราะว่าเราลืมตาปฏิบัตินะลืมตาปฏิบัติลืมตาทําทุกๆอย่าง น, ะนี่แหละเป็นสิ่งที่เราสําคัญนะเราจะนำไป ใ, ใช้ได้จริงๆเพราะว่าเราจะค่อยๆเรียนรู้ว่าการที่เราเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเมื่อกายเคลื่อนไหวใจรับรู้แล้วเนี่ยชีวิประจำวันก็เหมือนกันนะเรากายเคลื่อนไหวก็ใจรับรู้ได้เหมือนกันนะหรือเราเดินไปไหนก็แล้วแตนะ่จากการที่เราเคยเดินฟรีฟ วันนึงเดินเนี่ยคนเราเดินประมาณวันละสองสชั่วโมงอยู่แล้วนะไม่ใช่ไม่ได้คิดเวลาเดินอย่างกลมเนี่ยเวลาที่เราเดินใน ป, ปัจจุบันแต่ละขณะแต่ละวันเนี่ยสองามชั่วโมงแล้วเป็นการเดินฟรีตลอดเลยนะแต่พอเราฝึกตัววิธีนี้ได้เนี่ยก็จะไม่เดินฟรีต่อไปนะไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนก็จะเป็นการเดินจงกรมในตัวและนี่แหละคือกําไรชีวิตแล้วนะเพราะว่าพอเราเดินมีสติปั๊บเนี่ยอันนี้เป็นบุญใหญ่นะเป็นบุญใหญ่เขาบอกว่า การให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยให้ทานเนี่ยเป็นบุญมากแต่ก็ยังน้อยกว่าการรักษาศีลแต่การรักษาศีลก็เป็นบุญน้อยกว่าการปฏนบัติธรรมเสียอีกนะปฏนบัติธรรมนี่บุญสูงที่สุดเลยโดยไม่ต้องลงคุณแม้แต่บาทเดียวนะเพราะฉะนั้นต่อไปนะสองสามวิโมนี้เราได้บุญตลอดเลยระเป็บุญที่สูงด้วยนะจากการที่เราเดินไปเดินมานี่แหละนะ ถ้าเรารู้สึกตัวนี่คือการเดินจงกรมตลอดนะเป็นบุญที่สูงโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะแล้วถ้าเราปรับเข้าไปในชีวิตประจำวันเราได้จริงๆเนี่ยไม่ว่าเราจะเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่แล้วเรารู้สึกตัวไปด้วยเนี่ยก็คือบุญทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นจากการที่เมื่อก่อนเป็นอกุศลจิตก็คือความหลงเกิดขึ้นทั้งวันต่อไปเราก็จะกลายเป็นกุศลจิตก็คือความรู้ตัวเกิดขึ้นทั้งวันนี่แหละเป็นบุญใหญ่นะยิ่งเราทําในตลอดเวลาได้เท่าไหร่นะบุญเราจะยิ่งมากขึ้นนะและบุญนั้นก็จส่งเรานะถึงซึ่งความพ้นทุก ได้ในชาติปัจจุบันนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะทั้งคนเก่าและคนใหม่นะให้เราตั้งใจนิดนึงเจ็ดวันเท่านั้นเองนะเป็นเวลาที่น้อยมากนะแล้วเราจะได้สิ่งดีๆไปติดตัวเราไปตลอดชีวิตนะจะนำเรามีความสุขความจเจริญ น, นะและมีการเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดเจนอย่างที่คนเขาบอกว่าโอ้อดูงี้ก็มาปฏิบัติต้องนานแล้วมีก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะโอ้ ภรรยานี่มาก่อนเป็นคนขี้บ่นมากแล้วสามีนี่ก็โอ้ยทนไม่ไหวหงุดหงิดอ่าเรียกว่าขิงก็ราขาก็แรงภรรยานี่มาปฏิบัติที่วัดนี้ครั้งแรกก็เปลี่ยนแปลงขึ้นนิดหน่อยพอครั้งสองกลับไปนี่เ ป, ปลี่ยนแปลงเยอะเลยอ่าจนสามีแปลกใจบอกว่ารูแบบนี้ให้มาปฏิบัติต้องนานแล้วเพราะนั้นเราก็แบบนี้นะอ่าปฏิบัติไปกลับไปบ้านสามีว่ารูเงี้ให้มาปฏิบัติต้องนานแล้วนะ เอาละวันนี้ก็ขอจุติเพียงเท่านี้แล้วกันนะให้ทุกท่านเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไป